เราเดินจงกรมเท่าไหร่นานเท่าไหร่สีิบ น, นาทีสีิบนาทีแล้วก็จากนี้ไปสิบเอดมันก็เวลาแค่สี 80, ่้านาทีสีห้านาทีถึงสิบเอดจากสิบเอดถึงสิบสองจุดจุดจุดจุ ด, จ ด, จด <c oughs> นะก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงก่อนเที่ยง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 เราชอบชอบผลกันนะอยู่วัดสมัยอยู่วัดปั๊บเนี่ยเราก็ปล่อยเลยล่ะไม่ออกมาฉันด้วยซ้ำปล่อยเลยปล่อยช่วงเวลาที่เราไม่ออกมาจนถึงเก้าโมงสิบโมงบางทีไปจนถึงเที่ยงบ่ายโมงเราถึงออกมาโอ๊ยมีเวลามากมาเยอะๆเลยมันเป็นช่วงที่เบาสบายดีปลอดโปร่ง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 น้องตาท่านใช้คําว่าทูกิเลตมันจับสาหัวให้ฉนกัน <c oughs> น่าเขียดแขน <c oughs> กิเล น, น, นในหัวใจของเรามันจับสหัวให้ชนกันน่ะฉลาดหรือไม่ฉลาดฉลาดหรืองโง่โง่กว่าอะไรโง่กว่ากิเลสโง่กว่าความหลงในใจของเราเองอยู่ดีๆอยู่เป็นสุขสะดุกสบายแล้วไหมพอไปสร้างเรื่องปั๊บอ้าวได้เรื่องเลย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 อนุปริญญาปริญญาบางคนจบถึงปริญญาเองโอ้โหกว่าจะได้กว่าจะได้ส่งเขากว่าจะถึงที่สุดโอ้โห و, ต้องกดต้องทนเท่าไหร่บางคนไม่มีอะไรจะส่งให้เรียนอีกตั้งหากอีกต้องไปแบกต้องไปหามต้องไปทำงานหนักทำงานเบาบางคนจ่สุขสบายข้ามหวยก็พอพอพอพอจะเบาอกเบาใจถึงกระนั้นก็ตาม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 ลืมเช้าตื่นดื่มตามาแบกกองทุกข์อีกแล้วเช้าตื่นดืมตามาแบกกองทุกข์อีกแล้วเนตเหนื่อยเท่าไหร่ต้องไปหาทำนั้นทำนี่ทำงานทำการเพื่อได้นนได้นี้เพื่อได้งานได้การเพื่อได้สิ่งแรกเปลี่ยนเพื่อความเป็นไปความอยู่ของชีวิตเพื่อความอยู่รอดของชีวิตทุกอย่างลำบากขนาดไหน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 และวเราจะได้อะไรมามามาเกือกูลชีวิตตินสีนี่ให้มีความสุขไม่มีนี่เขาเรียกว่าต้องการความสุขตั้งแต่ยังไม่ได้แสวางหาติดความสุขอยู่อย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าเหตุอะไรเหตุเพื่อความอยู่ได้อยู่รอดไม่รู้อยางไม่เข้าใจเขาเรียกว่าติดสุขติดสุขความสุขทั้งหลายทั้งปวงนั้น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 จเจริญงอกเงยพอจรมีดอกมีผลให้เราได้อยู่ไปสบายไปวันๆไม่มีวันไหนก็ต้องไปหาถึงจะได้วันไหนก็ต้องไปหาถึงจะได้แต่สิ่งที่ไม่อยู่เท่าเดิมคืออะไรอัตภาพร่างกายแก่ไปสุดโศมไปชาราไปครับขาไปแม้แต่ยังไม่แก่อยู่ไปอยู่ไปแม่เจ็บมันไข้ป่วยเป็นลองเจ็บไข้ด้ป่วยสักห้าวันสิบวันลงดูไม่ได้ทำอาหากินขาดรายได้ไปสิบวันเท่าไหรอ่า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 เพื่อทําลายสิ่งเหล่านี้แต่เหตุปัจจัยที่คอยสนับสนุนที่สำคัญยิ่งคืออะไรขันติคือความอดคือความทนอดทนได้เราจะสมยายได้ภ <c oughs> ัยลังงานการบางอย่างเราอดทนได้เรามีความทุกข์แต่เรามีความสุขเป็นวิบากนี่แหละความสุขจากการที่เราตั้งใจภาวนานในระหว่างที่เราตั้งอกตั้งใจทำทุกข์ไหมทุกข์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 ยับยับระวังไม่ให้ปัญหามันโผล่ขึ้นมาสังวรสังวรประทานประธานประท า, านในขณะที่เราสังวรได้ในขณะที่เราสังวรได้ไดตัญหาใหม่เกิดไม่ได้ปัญหาปัญหาใหม่เกิดไม่ได้ตัญหาเก่าที่ที่มีเราพยายามประหานมันสังวรประธานประทา น, านในเมื่อโทษใหม่ไม่เกิดโทษเก่าเราพยายามละ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 ข้ามฟากไปได้อย่างเบาสบายอุดรูพระอุดรูรั่วของเรือเพระระอุดรูปับน้ําใหม่ไม่เข้าเมื่อน้ําใหม่ไม่เข้าน้ําเกา่าเราวิทออกหมดไปได้ไหมหมดไปได้วิทย์ออกไปเท่าไหร่หมดไปเท่านั้นวิทออกไปเท่าไหร่หมดไปท่านั้น อ, อนืม น, น, นี่คือประหานประหานภาวนาประทานอ่ะนี่คือสังวรประทานประหานประทาน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 เมื่อวานก็สองสามวาระขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงวันนี้ก็เป็นวาระที่สองแล้วเนี่ยนะวันนี้ก็เป็นวาระที่สองตอนนี้ก็สิเบเ็ดนาฬิกาแล้วเนี่ยแล้วก็ตอนบ่ายนี้เราก็มีทุระจะไปที่สุดที่ทำด้วยแล้วแต่ธรรมบริกรณเพื่อนจะบริหารเนี่ตอนนี้จะพาเดินจะพานั่งจะพาอะไรเราพูดถึงความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วอ้มากมายท่วมท้นแล้วน่ะ